บันทึกที่6ความหมายย่อขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทความหมายขององค์ธรรมต่างๆแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ได้แสดงไว้ในตัวบทอย่างค่อนข้างยืดยาวเยินเยอะจึงเสนอความหมายสั้นๆง่ายๆไว้ดังนี้1อวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ตามเป็นจริง การไม่ใช่ปัญญา 2. ส, สังขารความคิดปรุงแต่งเจ็ดจำงจิตนิสัยและทุกสิ่งที่จิตได้สังสมอบรมไว้ 3. วิญญาณความรู้ต่อโลกภายนอกต่อเรื่องราวในจิตใจสภาพพื้นจิต สีนามรูปองค์ขัพยพส่วนประกอบของชีวิตทั้งกายและใจ 5. าสลายตนะสื่อแห่งการรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. กผัสสะการรับรู้การติดต่อกับโลกภายนอกการประสบอารมณ์ เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือเฉยเฉยตัณหาความอยากคืออยากได้อยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปอยากเลี่ยงสลายหรือทำลาย 9. อุปาทานความยึดติดถือมั่น ความผูกพันถือค้างไว้ในใจฝ่ายนิยมเทอดค่าการถือรวมเข้ากับตัว 10. พบภาวะชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปบุคลิกภาพกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล 11. ชาติการเกิดมีตัวที่คอยออกรู้ออกรับ เป็นผู้อยู่ในภาวะชีวิตนั้นเป็นเจ้าของบทบาทความเป็นอยู่เป็นไปนั้นๆ 12. ชจรามรณะการประสบความเสื่อมความไม่มั่นคงความสูญเสียจบสิน้นแห่งการที่ตัวได้อยู่ครอบครองภาวะชีวิตนั้นๆโสกะปริเทวะทุกโทมนตอุปายาตความเศร้าเสียใจ เหี่ยวแห้งใจกล้าครวนหวนให้เจ็บปวดรวดร้าวน้อยใจสิ้นหวังคับแค้นใจคืออาการหรือรูปต่างๆของความทุกข์อันเป็นของเสียมีพิษที่คั่งค้างหมักหมมกดดันอั้นอยู่ภายในซึ่งคอยจะระบายออกมาเป็นทั้งปัญหาและปมก่อปัญหาต่อๆไป